วิธีให้ปริวาสสองเดือนและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงให้อย่างนี้คือภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาสงห่มอุตราสงเฉวียงบาข้างหนึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผมต้องอาบัต ส, สังคารทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนกระผมนั้น ได้มีความคิดดังนี้ว่าเราต้องอาบัตสังคาที่เศษสองตัวปิดไว้สองเดือนฉะนหันหนอเราพึงขอปริว่าสองเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนกับสงกระผมนั้นจึงขอปริว่าสองเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนกับสงสงได้ให้ปริว่าสองเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนแก่กระผมแล้ว เมื่อกระผมนั้นกำลังอยู่ปริวาสคิดละอายใจว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนเรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนฉะไหนหนอเราพึงขอปริวาสสองเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนกับสงดังนี้ กระผมนั้นขอปริวาทสองเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนกับสงสงได้ให้ปริวาทสองเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนแก่กระผมเมื่อกระผมนั้นกําลังอยู่ปริวาทคิดละอายใจว่าฉไหนหนอเราพึงขอปริวาทสองเดือนเพื่ออาบัติแม้นอกนี้ปิดไว้สองเดือนกับสงท่านผู้เจริญกระผมนั้น จึงขอปริวาท ส, สองเดือนเพื่ออาบัตแม้นอกนี้ปิดไว้สองเดือนกับสงพึงขอแม้ครั้งที่สองและพึงขอแม้ครั้งที่สามและภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติจตุธกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้า ภิกษุชื่อนี้รูปนี้ต้องอาบัติสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนภิกษุนั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าเราต้องอาบัติสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนฉะไหนหนอเราพึงขอปริว่าสองเดือนเพื่ออาบัติหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนกับสงภิกษุนั้น จึงขอปริวาสองเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนกับสงสงได้ให้ปริว่าสองเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนแก่ภิกษุนั้นแล้วเมื่อภิกษุชื่อนี้กําลังอยู่ปริวาทคิดละอายใจว่าเราต้องอาบัตสังฆาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนเรานั้นได้คิดว่า เราต้องอาบัตสังคงาที i i. ่เศษสองตัวปิดไว้สองเดือนชะไหนหนอเราพึงขอปริว่าสองเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนกับสงดังนี้เรานั้นจึงขอปริวาสองเดือนเพ hey. ื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนกับสงสงได้ให้ปริวาสองเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนแก่เรานั้น เมื่อเรานั้นกําลังอยู่ปริวาดคิดละอายใจว่าฉะไหนหนอเราพึงขอปริวา่าสองเดือนเพื่ออาบัตแม้นอกนี้ปิดไว้สองเดือนกับสงพิกษุนั้นขอปริวา่าสองเดือนเพื่ออาบัตแม้นอกนี้ปิดไว้สองเดือนกับสงถ้าสงพร้อมกันแล้วสงพึงให้ปริว่าสองเดือนเพื่ออาบัตแม้นอกนี้ปิดไว้สองเดือนแก่ภิกษุนี้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 เราพ on ึงขอปริวาสสองเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนกับสงฆ์พิกษุนั้นจึงขอปริวาสสองเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนกับสงฆ์สงฆ์ได้ให้ปริวาสสองเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนแก่พิกษุนั้นแล้วเมื่อพิกษุนั้นกำลังอยู่ปริวาสคิดละอายใจว่า เราต้องอาบัตสังคาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนเรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าเราต้องอาบัตสังคาทิเศษสองตัวปิดไว้สองเดือนฉะไหนหนอเราพรึงขอปริว่าสองเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนกับสงเรานั้นจึงขอปริว่าสองเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนกับสง์ สงได้ให้ปริวาสสองเดือนเพื่ออาบัตหนึ่งตัวปิดไว้สองเดือนแก่เรานั้นเมื่อเรานั้นกำลังอยู่ปริวาสคิดละอายใจว่าชไหนหนอเราพึงขอปริวาสสองเดือนเพื่ออาบัตแม้นอกนี้ปิดไว้สองเดือนกับสงดังนี้ภิกษุนั้นขอปริวาสสองเดือนเพื่ออาบัตแม้นอกนี้ปิดไว้สองเดือนกับสง สงได้ให้ปริวาสสองเดือนเพื่ออาบัตแม้นอกนี้ปิดไว้สองเดือนแก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้ปริวาสสองเดือนเพื่ออาบัตแม้นอกนี้ปิดไว้สองเดือนแก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่า ละแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าละปริว่าสองเดือนเพื่ออาบัตแม้นอกนี้ปิดไว้สองเดือนสงให้แล้วแก่ภิกษุชื่อนี้สงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้น พึงอยู่ปริวาสสองเดือนนับต่อจากเดือนก่อน